อยู่ที่บ้านติดตามทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าครับก็ถ้าว่างตรงเวลาที่วิจาร์ถ่ายทอดก็ก็ดูเวลาอื่นก็ดูได้ ม, มีคลิปเก็บไว้เวลานี้มันก็ดีตรงที่ถ้าดูสดมันก็สามารถถามอะไรได้ ถ้าดูของที่อัดไว้ก็เพียงแต่ได้ดูอย่างเดียวจะถ า, ถามก็ถามไม่ได้อยากจะถามอะไรไหมผมไม่ไม่มีเลยครับ อ, อยากไปอันนี้ผ่านไหมก็ออยากเลยครับอยากไปเลย นู้รเปล่าว่าตะไปนิพพานต้องทำอะไรครับพอรู้คร่าวๆครับแต่ปฏิบัติไม่ได้ครับผมใจอยากไปแต่กิเลสไม่อยากไปกิเลสยังอยากอยู่ยังอยากหารูปเสียงกลออิ่นรสเยอะต้อง่ากิเลสให้ได้กิเลสกับทรามมันอยู่คนละทางกัน กิเลสมันจะพาให้เราหาหารูปเสียงกลิ่นรสหาการเวียนว่ายตายเกิดทำก็จะพาให้เราอาถอยออกจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างวันนี้วันพระรพรพุตธเจ้าก็สอนว่าให้พุทธชาพุดเราถอยออกจากรูปเสียงกลิ่นรส ปวดะเรียกว่ากามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระนี้เรียกว่ากามคุณห้าให้ออกจากกามคุณห้าเรียกว่าเนตแปลว่าเนตขมมะเนตขมะแปลว่าให้ออกจากกามกามคุณให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสวันนี้เราจะไม่ดูอะไรเพื่อให้ดูอะไรตามความอยากไม่ได้ฟังอะไรตามความอยาก ไม่ได้ดื่ไม่ได้รับประทานอะไรตามความอยากไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงเก่นลดโผดต่อพระแล้วให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะใจที่สงบนี้ก็คือนิพพานเลยนิพพานกับการเวียนว่ายตายเกิดก็ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าใจจะหันไปทางไหนหันไปทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะะก็หันไปก็ไปการเวียนว่ายตายเกิดหันมาที่ความสงบก็ไปนิพพานง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ลึกลับซับซ้อนอยากไปเสษรูปเสียงกลิ่นรสพุถุพะะ วันนี้ถือศีลแปดก็จะได้ไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นนัดการถือศีลแปดนี้ก็คือการไม่หารูปเสียงกลิ่นรัดไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นศีลก็สามปกติก็ถ้าเป็นศีลห้าก็จะละเว้นจากการ เราเพืผิดประเวณีคือไม่เสพกามกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนแต่ถ้าถือศีลแปดศีลข้อนี้ก็เปลี่ยนเป็นอ布 ร, รมจริยาไม่เสพกามเลยไม่เสพไม่ร่วมหลับนอนกับใครถึงแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็วันนี้ขอหยุดหนึ่งวัน อย่งางเมื่อก่อนมีเพลงหนึ่งเขาเรียกว่า Never on Sunday แปลว่าไม่เสบกรรมในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของชาวคริสต์เก่าวันที่เขาเข้าโบสถ์กันเขาว่าจะเสบจะจูบฉันจะนอนกับฉันก็นอนได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์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 เป็นวันที่เราจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเคยถือศีลแปดมั้ยเราจะไปนี้ผ่านได้ยังไงลองงคุยกับภรรยาหรือว่าวันนี้วันพระเราอย่านอนด้วยกันถ้าคืนได้ไหมนอนคนละห้องกัน ตะนอนในห้องนอนเราจะนอนในห้องรับแขกอยู่เป็นก็ละห้องกันอันนี้แหละที่ทำให้เราเด็ดเดดการเวียนว่ายตายเกิดเลอไปนิพพานถ้ายังไม่ถือสีนแปดก็ไปไม่ได้ทั้นต่ ำ, ต, ำ, ต, ำ, ต, ำต้องสีนแปดถึงไปอ่าต้อง ต้องถอนสมเอเรือไงเรือมันจะวิ่งได้มันก็ต้องถอนสมอเรือตอนนี้สมอเรือของใจก็คือการการเสพการเสพยื่เสียงกลิ่นรสบทภาพเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือมหัศลศพน้องนำทำเพลง กินเลี้ยงกินอาหารค่ำกันอย่างนี้นี่ก็อีกข้อนึงกินอาหารก็ให้กินพอให้อยู่ได้ไม่ต้องกินเพื่อความสนุกสนานเขาจากอาหารเขาจากงานเลี้ยงกันเขากินกันเพื่อความสนุกสนานกันเรากินเพื่ออยู่ให้ร่างกายอยู่ กินวันละมื่อสองมื้อก็พอคือกินก่อนเที่ยงวันพอหลังจากเที่ยงวันเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติทําใจให้สงบถ้าเรากินอาหารเย็นก็ต้องรออีกหชั่วโมงมากินอาหารเย็นกินอาหารเย็นแล้วก็อิ่มก็จะอยากจะนอนอยากจะนอนกับแฟน ก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมถึงต้อโอเจ้าถึงต้องห้ามสองข้อนี้ห้ามกินอาหารเย็นห้ามยุมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนอกจากนั้นก็ห้ามไม่ให้ดูหนังฟังเพลง การที่จะนั่งสมาธิเดี๋ยวไปนั่งดูหนังฟังเพลงองีกทำไมติดกับรูปเสียงกินรสกันแลวเกิดไม่กินก็นอนถ้าไม่นอนก็ดูฟังเล่นกันมันเป็นความสุขที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด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 วันพระก็คือจะได้มีวันเริ่มต้นวันออกเดินทางวันถอนสมอเรือถ้าเราถือศี์แปดเราก็จะได้ถอนใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะได้มีเวลาไปหาความสงบกันไปนั่งสมาธิก่อนจะนั่งสมาธิให้สงบได้ก็ต้องมีสติก่อน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 สร้างสติขึ้นมาก่อนไปลองท่องพุโทโธไหมท่องได้สักกี่นาทอีอย่างต่อเนื่องลุงนําดอกรึไงใช่ต้องพุทเต้นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าคิด ชอบคิดนะเพื่อแต่เงมาก็คิดแล้วจะทำอะไรดีวันนี้จะไปไห น, ท ำ, ห น, นทำนุ่นทำนี่ถ้ามีความจำเป็นต้องคิดก็คิดได้แต่ถ้าอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ถึงความเพอ้อฝันต่างๆอยากได้นุน่นอยากมีนี่อยากไปนุน่นอยากมานี่อยากให้คนนั้นทาอย่างนั้นอยากให้คนนี้ทำอย่างนี้ อย่าไปย่อย่าไปคิด <c oughs> ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วก็หาเวลานั่งสมาธินั่งให้มากๆจเจริญสติให้มากๆเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบได้ถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวเดียวนั่งเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบห้านาทีสิบานาที จิตก็ดึงลงเข้าสู่ความสงบได้จิตสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการเสพกล้ามจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอมีความสุขจากความสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการถือศีลแปดเห็นคุณค่าของการ จเจริญสติเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิก็จะอยากจะรักษาสีแปดเพิ่มขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นก็จะเพิ่มวันรักษาสีแล้ว ใ, ให้เริ่มที่วันพระใช่าครับวันวันทำไมนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกกับพวกเราเพราะวันพระมันไม่ตรงกับวันหยุด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 ชาวนาชาวไร่เขาจะหยุดวันพระกันไปวัดกันไปทำบุญใส่บาตรไปฟังเทศฟังธรรมถ้ามีเวลาไม่มีธุระ ก, กิจอะไก็อยู่วัดค้างวัดหนึ่งคืนเถือศีลแปดที่วัดถ้าอยู่วัดนี่มันจะรักษาศีลแปดได้ง่ายกว่าอยู่บ้านเพราะที่วัดไม่มีทีวีให้ดูไม่มีอะไรให้ ถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวคนนั้นกินก็อดอยากจะกินกับเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาดูก็ เ, เปิดทีวีดูก็อยากจะดูกับเขาคนที่อยากจะรักษาศี่งแปดคนที่อยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบจึงมักไปรักษาสิงแปดไปนั่งสมาธิที่วัดกัน อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางไปสู่พระนิพพานของการออกจากการมโสุขการมโสุขก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องยุติถ้าเรายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ไปหาความสงบไม่ได้ เหมือนถ้าเรื อ, อยังทอดสมออยู่เราก็เรือก็วิ่งไปไม่ได้ต้องถอนสมอแล้วเรเือก็จะวิ่งไปได้แล่นไปได้ลอยไปได้ใจก็เหมือนกันใจจะไปสู่ความสงบได้ก็ต้องหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผธผลอการถือศีลแปดนี่ก็เป็นเป็นกฎ กติกาที่ห้างตัวเราเองไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย <c oughs> แล้วมีอีกข้อหนึ่งก็ข้อข้ อ, ข, อข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีที่จะไม่นอนมากเกินไปก็ต้องนอนบนที่นอนที่มันไม่สบายอถ้าที่นอนสบายเนละ้วมันจะนอนมากจะนอนบนฟูกหนะหนาะ มันจะนอนมากเกินไปการ น, นอนนี่มีสองแบบนอนเพื่อร่างกายกับนอนเพื่อความสบายถ้านอนเพื่อร่างกายนี่พอร่างกายได้พักพอมันก็จะเต่นขึ้นมาถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ น, นอนสบายเราก็จะไม่อยากลุกเราก็จะนอนต่อเราก็จะจะนอนต่ออีกหลายชั่วโมง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 ยิง่งไม่รู้สมัยนี้ยังมีหรือเปล่าบางวัดเขาจะมีรีเกมีภาพยนตร์ยังมีอยู่บางวัดก็เป็นตลาดนัดไปเลยถ้าวัดแบบนั้นก็ไม่เรียกว่าวัดคาว่าวัดก็คือที่สงบที่ปราศ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสผลทตภาถ้าที่ไหน เป็นมีรูปเสียงกยลิ่นรสมีกิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกายอันนั้นไม่เรียกว่าวัดวัดต้องเป็นที่สงบวิเวกปราศจากกิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกายมีแต่กิจกรรมเสริมความสงบเช่นมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรม อันนี้ถึงจเรียกว่าเป็นวัดสมัยนี้วัดมันกลายไปละมันตายตลายเพศไปทำวัดสมัยนี้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปมันก่อนมีญาติโยมเป็นครูอาจารย์เขากําลังทําเป็นยาโท ร, รอเลยอกก็ไม่รู้เรื่องการท่องเที่ยวในวัด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 ทำวัดให้เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อจะได้นนดึนคนเข้าวัดดึงคนเข้าวัดคนที่ชอบเที่ยวเขาก็อยามาเที่ยวดูเท่านั้นเขาจะมาทำบุญทำไมเขาจะมารักษาศีลทำไมเขาจะมาฟังเทศฟังธรรมทำไมถ้าคนแบบนี้เราไม่ต้องทางวัดไม่ต้องการให้เข้าทางวัดไม่ต้องการดึงคนที่อยากจะทำบุญทงทางคนที่อยากจะรักษาศีล คนที่อยากจะปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้วัดก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแหล่งหาเงินกันนักท่องเที่ยวมาก็มีการหาไรายได้จากนักท่องเที่ยวผิดจุดประสงค์ของวัดไปวัดเป็นที่ที่จะให้ความสงบให้ความรู้ต่อผู้ที่เข้ามา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 ต้นไม้มาทำเป็นเพงิงหลบแดดหลบฝนได้ก็พอเนี่ยวัดที่แท้จริงไม่ได้เป็นวัดหาเงินวัดที่แท้จริงเป็นวัดหาธรรมให้ผู้ที่มาอยู่ได้มีบรรยากาศที่ดีต่อการหาธรรมบรรยากาศที่จะหาธรรมได้ดีก็คือบรรยากาศที่สงบสงดัดวิเวกปราศจากกิจกรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกาย นี่คือวัดถ้าวัดสงบวิเวกผู้ที่มาปฏิบัติทำใจให้สงบวิเวกก็จะสงบได้ง่าย <c oughs> ถ้าวัดเป็นสถานที่ก็ทึกคึกครงมีหอามีมหาวิหามีบรรเทิงมีอะไรต่างๆมีตลาดนะัก มีภาพยนต์มีลิเกมีเครื่องขยายเสียงเปล่าประกาศเชิญทําบุญปิดทองลูกนิมิตอะไรร้อยแปดอันนี้เป็นไม่ได้เป็นวัน วัดต้องเงียบต้องสงบมีกิจกรรมก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมกันคนสมัยนี้เข้าวัดต้องไปดูโบสถ์ต้องดูเจดีย์ต้องดูท่าวรรวัตุต่างๆ ดูแล้วมันได้อะไมันก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหะมันไม่ได้ความสงบจากการดูของพวกนี้ถ้าอยากจะดูต้องให้ดูใจหรือว่าใจกําลังพุทโธอยู่หรือเปล่าต้องให้มันพุทโธพุทโธอย่าให้มันคิดอะไรให้มันว่างให้มันนิ่งให้มันเย็นให้มันสงบ ให้มันสุขเนถ้ามีความสุขใจแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องหาเงินให้เหนื่อยยากที่วานี้เราต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองเพื่อจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนซื้อยาเสพติดมาเสกซื้อมาแล้วเสกก็สุขเดียวเดียว เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องซื้อใหม่เสพใหม่ก็ต้องหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆถ้าหาไม่ได้ก็เครียดใครเป็นคนบอกว่าต้องไปหาเงินหาทองกันถ้าจะหาก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้จำเป็นหาข้าวมากินหาเสื้อผ้ามาใส่หายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัย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 พอมันเป็นเหมือนยาพิษที่เราเครียดกันที่เราทุกข์กันแล้วเพราะเราต้องหาเงินหาทองหาลูกเสียงกลิ่นลดกันมาเสกหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เสกไปจนวันตายตายแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่นี่ขคือถึงเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดการหาลูกเสียงกลิ่นรดมันต้องมีตาหูจมูกมิ้นกาย พอร่างกายนี้ตายไปมันก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มีลูกตาหูจมูกลิ้นกายอันใหม่มาเสพลูกเสียงกลิ่นรสกันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกขกับการหาเงินหาทองแล้วก็มาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ถ้าเราไมหารูปเสียงกลิ่นรสกันเราก็จะมีเวลามาหา ความสงบกันมาหาพุทธโธกันมาเจริญพุทธโธพุทธโธกันให้มีพุทธโธคู่อยู่กับใจไปเรื่อยใจมีพุทธโธแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายเราก็จะไม่หิวใจอิ่มไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับเงินกับทองถ้าหิวก็หิวของร่างกายเท่านั้น ก็หาหารมาให้นั่งกากินวันละมือ้อสองมือก็พอเสื้อผ้ามีสักสองสามชุดก็อยู่ไดนะ้ที่อยู่อาศัยก็พอดบแดดหลบฝนได้ก็พอแนละ้วไม่ต้องเป็นวิมานไม่ต้องเป็นข้าวแลาหารนะถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองนี่ไม่มีใครมามาทําร้ายเราหรอกขอทานก็อยู่ใต้สะพานนี่ไม่มีใครมาทำร้ายเขาไม่เพราะเขาไม่มีสมบัติอะไรให้ใครนะ ถ้ามีสมบัติเดี๋ยวก็โจรผู้ร้ายก็ชอบมาปนกันก็ต้องสร้างบ้านให้มันมิจชิดมีมากก็ต้องจ้างรอปภมามาเฝ้าอีกจ้างยามมาเฝ้าอีกการมีสมบัติมีเงินทองแทนที่จะเป็นสุขมันเลยเป็นทุกข์ไปถ้ามันมีมากเกินไปถ้ามันมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็เป็นประโยชน์ มีเงินเลื้ยงเปล่าเลี้งทองได้แล้วเราก็จะได้มีมีกำลังมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสงบให้กับใจอันนี้หละความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทองไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่ที่คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ได้อะไรมาแล้วก็ต้องมีเรื่องมีราวมีปัญหากับสิ่งที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องหาใหม่เวลามีก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังวลนวนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนวนเป็นความไม่สบายใจทั้งนั้น ถ้าไม่มีแล้วมันจะไม่มีอะไรทำให้เราต้องกงังวลพระธุดงค์ท่านไปอยู่ในป่าได้ท่านไม่มีอะไรมีสมบัติแปดชิ้นนั่นเองไม่มีใครอยากได้สมบัติของพระบาทนี้ไม่มีใครรู้จะเอาไปทำอะไรดีวอร์นก็ไม่ไม่มีใครก็เอาไปขายก็ไม่มีใครก็ซื้อไม่มีดโกน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 กรดนี้กันฝนได้พอแล้วนี่ที่อยู่อาศัยของพระมุงกับกรดนี่ก็เป็นบ้านของพระแล้วบ้านเคลื่อนที่ย้ายได้ง่ายอยากจะไปไหนก็ไปได้อยู่ในป่าคนเดียวแสนจะสงบแสนจะสบายไม่มีอะไรมาให้อุ่นวายใจสิงสารสัต ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากไปเผลอไปเหยียบเขาหรือไปทำให้เขาตกใจทั้งเองธรรมดาเขาก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราเขาก็อยากจะอยู่ของเขาไปโจรผู้ร้ายก็ไม่มีโจมไม่รู้มันจะมาป้นอะไรไม่มีอะไรให้มันป้นนอนหลับสบาย ว่าคนที่หลับในคลหานก่อนจะหลับก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าเครื่องรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยทํางานหรือไม่รอปภ อ, อยู่หรือเปล่าวุ่นวายไปหมดยิ่งมีมากยิ่งวุ่นวายมากมีน้อยก็วุ่นวายน้อยไม่มีเลยก็ไม่วุ่นวายเลย ถ้าไม่อยากจะวุ่นวายต้องหัดอยู่แบบไม่มีหรือมีสิ่งที่ไม่ไม่เสียดายจะหายไปเมื่อไหร่ก็ให้มันหายไปอยา่าไปมีของมีค่าาของที่ไม่มีค่าเสื้อผ้าก็อย่าไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาใส่เอาซื้อเสื้อผ้าจาับนะสะพัดนะไปซื้อเสื้อผ้าที่สะพัดเสื้อผ้าถูกๆไม่มีใครอยากได้ ไปไม่มีใครจะมาขโมยอย่าไปซื้อเสื้อผ้าของเวอร์ซาซี่ของชาแนลของเปียกการังถ้าซื้อพวกนี้โอ้เดี๋ยวคนก็ขโมยกันแย่งกันกระเป้าวาอย่าไปใช้มันใช้ถุงมลสติกไม่มีใครอยากได้ถุงมลสติกทิ้งกันเกินบ้านเกินเมือง ไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าใบละสองสามหมื่นมาใช้หนักใจไม่ใช่หนักมือหรอกสองสามหมื่นถือเราก็กังวลเผลอวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็หายเนี่ยเราเราหาความทุกข์กันทุกวั น, ท, วนทุกเวลาโดยไม่รู้สึกตัวความสุขไม่หากันชอบหาความทุกข์กันหาข้าวหาของมาสร้างความทุกข์ให้กับเรา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 เพราะว่าทุกเพราะว่ามันเป็นอนิจจามันไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเปลี่ยนดีแล้วก็ไม่ดีได้พลิกไปพลิกมาก่อนเราเวลาเจอกันใหม่ๆก็รักกันดีพออยู่กันไปแล้วไอ้ความรักหายไปไหนหมดกลายเป็นความโกรธความเกลียดกันขึ้นมา เ็เปลี่ยนไปเคยรักเราเขาเบื่อเราเขาก็ไม่รักเราเราเคยรักเขาเราเบื่อเขาเราก็ไม่รักเขามันก็เลยความรักก็หายไปความโกอธความเกรีดก็กลับเข้ามาความสุขที่ได้จากการรักกันก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์กินไม่กินไม่เข้าคลายไม่ออกจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้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 วันนี้อยู่คนเดียวทังวันไปหาวัดอยู่กันไปอยู่วัดกันอย่าไปอยู่กับสามีภรรยาอย่าไปอยู่กับลูก<ม>คิดว่าเราตายจากเขาสักวั น, น<ม>เดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเราอยู่โดยที่ไม่ต้องอยู่กับเขาได้เวลาเราตายเราก็จะตายอย่างเป็นสุขเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เสียดายอะไร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 ลองซื้อรถราคาหลายล้านมาดูสิเจเวลานอนนี่จะนอนหลับหรือเปล่ามนรถราคาสีห้าล้านนีเวลาจะจอดจะเก็บไว้ไม่รู้จะหาที่ไหนจอดหาที่ไหนเก็บเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยกับใจทำให้ใจต้องวิตกกังวลห่วงใยแล้วมีอะไรมาแตะนิดแตะหน่อยก็ออปวดเล้าไปหัวใจเด็กมาเนาอะไรมาขีดหน่อย เป็นลอยหน่อยแค้นี่โอ้ยต้องส่งเข้าซ่อมแล้วใช้ไม่ได้ต้องอยู่ไปอยู่อูดเไม่รู้กี่วันกว่าจะกลับมาเหมือนให้มันใหม่เหมือนเดิมใช้รถโกโลโกโซ่สบายกว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาอนะไรขอให้มันวิ่งได้เนทะ่านั้น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 ที่เรียกว่าผ้าป่าเนี่ยผ้าห่อศพเนี่ยไปหอศพพอศพมันปุบเผื่อพังไปแล้วเหลือแต่ผ้าก็ไปเก็บผ้านั้นมาซักมาย้อมใหม่ใช้ผ้าแบบนี้สบายไม่มีใครอยากจะมาแย่งมาอยากขโมยไปไม่ต้องรักษามันเปื้อนก็ไม่เป็นไรผ้านี้มันเปื้อนน้ำเหลือง น, น้ำเลือดมาเต็มไปหมดแล้ว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 ไม่มีไม่มีลอยไม่มีดังถ้าแต่ราคาแพงๆเดี๋ยวพอโดนอะไรเปื้อนหน่อยก็โอ้โหลบากนะวุ่นวายนี่ถ้าไปเจอคาบที่ซักไม่ออกนี่ใส่ไม่ได้แล้วสิอทั้งๆที่มันยังมันยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่มันมีคาบที่มันซักไม่ออกเท่านั้นทำไม่ใส่ไม่ได้แล้วทุกข์กำนนะัะ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 ลองหัดยู่แบบขอทานดูเลยรู้สึ ก, ก็สบายไม่ต้องกังวลไม่มีใครจะมาป้นมาจี้ <c oughs> ใส่เสื้อผ้าให้มันสอบกอดเพราไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้หรอกทําตัวให้เหม็นๆหน่อยผมเผ้าไม่ต้องไปหวีมันงคนเห็นแล้วก็อยากจะถอยออกไม่มีใครอยากจะเข้าหา คนที่พวกที่ถูกปั้มพวกที่ถูกชำเราก็เป็นพวกที่ชอบแต่งตัวสวยๆงามๆลอ่อตาลอ่อใจอพวกเสือสิงกระทิงแรกทั้งหลายพอมีช่องว่างเขาก็เมือบเลยเแต่ถ้าแต่งตัวแบบโกโลโกโสนนี่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ นี่คือวิธีอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสบายใจไม่มีใครมาวุ่นวายมายุ่งกับเราพระพุทธเจ้าท่านให้พระอยู่แบบนี้อยู่แบบโกโลโกโศผมก็ให้โกนทิ้งไปเลยแต่ได้ไม่มีใครมาหลงลักถ้าผมยาวผมสวยหน้าตาหล่ อ, หลอเหลาเดี๋ยวก็สีกงสีกาต่างกันี้ ขนาดกกนหัวนี่บางทียังมีสีกรุงสีกาตามเลยแล้วคิดดูทาไมโกนหัวจะเป็นยังไงนะอย่าไปหาความสุขจากของอะไรในโลกนี้เลยเพราะมันจะทำให้เรากังวลใจทำให้เราวิตกทำให้เราห่วงใยทำให้เราเสียใจเวลามันเป็นอะไรไป ใช้ของที่มันไม่มีคุณค่าราคาดีกว่ามันจะเสียเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะพังเราก็ไม่เดือดร้อนเ อ, องไปซื้อเสื้อผ้าถูกๆใส่ด้วยเสื้อผ้าที่สาพัฒเนี่ยซึ่งปีเขาก็จะมีจัดขายเพิ่มทักทีซื้อพวกนี้มาใส่ไม่มีใครจะมาแย่งเรา อยากจะดูถูกดูแพงก็ปล่อยเขาว่าต่อให้ใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆเขาอยากจะดูถูกเขาก็จะดูถูกเราได้อยู่ดีนั่นแหละเรื่องของคนจะไปบังคับเขาไปห้ามเขาได้ไงถ้าเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเขาก็พูดจะดูถูกดูแพงเราไดไ้ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเราใส่หรอก ถ้าเขาไม่ชอบเราต่อให้ใส่เสื้อผ้าดีไงเขาก็ดูถูกเราได้ว่าเราได้ตําหนิเราได้แต่ถ้าเขาชอบเราต่อให้เราใส่เสื้อผ้าขอทานเขาก็ชมเราได้เราอยู่ในโลกนี้เราอย่าไปกลัวกับคําคําติชินนินทาอย่าไปอยากให้ได้ยินแต่คําชมนเว่าอันนี้เป็นเรื่องของปากคนเรื่องของใจคน ถ้าเขาชอบเราเขาก็จะชมเราถ้าเขาเกลดเราเขาก็จะด่าเราเราต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนฝนว่าอากาศฝนจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้คนจะด่ามันก็เราก็ห้ามเขาไม่ไ ด, ด, ไได้ทำไมเราไม่เดือดร้อนกับเวลาฝนตกเพรเรายอมรับใช่ไมยอมให้ฝนตก ทำไมเราไปเดือดร้อนกับคนที่เขาดา่าเราเพราะเราไม่ยอมให้เขาด่า น, นัมันเลยเดือดร้อนยอมเสียก็สบายเข า, เขามีสูตรสามยอมเคยได้ยินไหมยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมให้เขาดา่าแล้วก็หยุดหยุดที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาหยุดที่จะไปห้ามเขาหยุดต่อสู้กับเขาเขาอยากจะดา่าอย่างนงก็ปล่อยเขาด่าไป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 แล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นม า, างั้นอย่าไปหาอะไรอย่าไปมีอะไรเลยมาหาความสงบกันดีกว่าอย่างวันพรานี้ก็มาถือศีลแปดกันมาพุทโธมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันใจสงบแล้วก็จะสบายจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้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 เดนื่อยไปเปล่าๆทำแต่งไปทา ไ, ไมเราไปเล่นดิเกรหรือไงถึงต้องแต่งหน้าทาปากทำเาเผาทาผมเงินอาบน้ำให้มันสะอาดก็พอหวีเเผาหวีผมแค่นี้ก็เสร็จแล้ะการสวยงามไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสวยที่ใจสวยที่ศีลและธรรมใจที่มีศีลนี้เป็นใจที่น่าน่ารักใครก็อยากจะอยู่ใกล้ใจที่ไม่มีศีลนี้เป็นใจที่น่าเกลีย ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยนวันนี้วันพระวันศีลนะเคยถือศีลเครคิดถึงวันพระกันบ้างหรือเปล่าวันพระมีไว้ทําไมนวันพระมีไว้ให้มาถือศีลกันวันพระมีไว้ให้มาฟังเทศฟังธรรมกันวันพระมีไว้สําหรับให้เรามาฝึกสติกัน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 ยังไงสบายดีกลับมาหาความสงบดีกว่ามิดแท้ความสุขแท้คือความสงบยังไงยังทุกเหมือนเดิมเหรอฮนะก็อยู่กับความทุกข์มือนก็ต้องทุกข์ไปอยู่กับไฟมันก็ต้องร้อนเนะี่ยถ้าอยากให้เย็นก็อย่าไปอยู่ใกล้ไฟนะ่ อยู่คนเดียวชอบอยู่ใกล้ไฟแล้วก็ร้อนใจก็ร้อนถ้าอยู่คนเดียวใจก็เย็ น, นมหาบวาอันนี้หละคำพีนังสือปฏิบัติไปเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติออก็อาทีตยนิดเล่มใหญ่เล่มเล็กมันก็ อ่านที่ละคำเหมืนกันเลยเอาไปเลยไม่ต้องเวียนแล้วคล้องเงี้ยวเวียนเลยเอาไปเลยคนจะเล่มวันไหนปวดวันไหนทุกใจไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดอ่านดูเล่มใหญ่ก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมดแล้วไม่ไม่ต้องไปเขาไม่บังคับให้อ่านทั้งเล่มหรอก เพราะอ่านติดใจแล้วมันอยากจะอ่านเล่มใหญ่นะเพราะมันจะได้มีมีอะไรให้อ่านเยอะแยะก็ไม่ได้ให้อ่านหมดเนี่ยอ่านหน้าเดียวก็พอเดี๋ยวมันติดใจมันก็อ่านเองอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้จะให้ถามคําถามกัน อยากจะถามอะไรถามได้นะถามว่าทำไมใจร้อนร้อนใจก็เพาะไปอยู่ใกล้ของร้อนมันก็ร้อนเลยของเย็นไม่อยู่ ช, ชอบไปอยู่ใกล้ของร้อนมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าจบอกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันของร้อนอย่าไปอยู่ใกล้มันอยู่แล้วมันจะทาให้ใจเราร้อนถ้าอยากจะอยู่ถ้าอยากให้ใจเย็นต้องอยู่ห่างกลอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรส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 เราต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักใยพระเจ้าสอนว่าวันพระนี่มาถือสิงหแปดกันนะเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าต่อไปนี้จะวันพระจะถือสิงหแปดกันลองลองทำดูสักวันทําไปแล้วต่อไปมันจะติดใจมันได้ผลดีแล้วมันจะมีมันรู้สึกเย็นขึ้นสบายขึ้นแล้วต่อไปจะทำสองวันสามวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็ไปอยู่วัดเลย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 อยู่วัดอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาให้เราุ่นหมายอยากจะถามอะไรไหมถามได้มีโอกาสเข้าไปสวดทวาดนี้หรือไม่คะฮะอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปสวดทำไมต้องไปเข้าไปด้วยล่ะสวดที่นี่ไม่ได้นะมันต่างกันตรงไหนเขาวิพากษ์ไหลวัดเรียนอย่างเราเราสวดหลังพระก็ได้ไม่เห็นปิดทางหลังพระก็ได้ไม่เห็นสวดที่ไหนก็สวดได้งั้นเหรอ ไม่จะเป็นแน่นอนไปสวดที่น่าศพหรอกสวดที่น่าศพก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเ่ยศพมันไปได้ยินอะไรคนตายมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ดวงวิญญาณของท่านท่านอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยสมัยตอนที่ท่านไลเสด็จขึ้นมาบนเขานี้มาพบกับสมเด็จพระสังฆราชว่าท่านเห็นว่าสถานบนเขานี้น่าอยู่ท่านคิดอยากจะบวช ว, วันนั้นบอก อันนั้นเคยปาลบว่าถ้าอายุหกสิบจะสละราชสมบัติแล้วก็จะขึ้นมาอยู่บนเขาเนี่ยจะมาบวชอยู่บนเขานี่ถ้าหานจะอยู่แถวนี้แล้วก็ได้อันนี้พูดจริงๆไม่ได้โกหกนะใช่ท่านผูกพันกับอะไร ท, ท่านก็จะไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่ท่านผูกพันด้วยเคยเคยปาลบกับสมเด็จพระสังฆ ร, ราชอตอนที่ขึ้นมา มาเที่ยวบนเขานี่มาชมบนเขานี่ท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ท่านไปกราบครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านก็รู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ท่านก็รู้ว่าอยู่ในวังมันทำยากมันมีเรื่องมีราวมีอะไรเยอะแยะพอมาเห็นที่สงบอย่างนี้เห็นสมเด็จพระสังฆราชมาสเด็จมาประทับบนนี้ท่านก็ติดใจอยากจะทำตาม ท่านถือสมเด็จพระสังฆราชเป็นผ้ า, าจานะเห็นผ้ า, าจาย์ขึ้นมาก็ขึ้นมาดูก็ชอบนะแต่พอท่านอายุหกสิบท่านก็มาไม่ได้เพราะบ้านเมืองยังไม่สงบเลยต้องปฏิบัติในวังต่อไปตอนนี้ท่านอาจจะมาได้แล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> อาจจะมาอยู่แถวนี้แล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเพียงแต่มามาม า, มาช่วงช่วงกับวันมาตอนบ่ายท่านมักจะเสด็จตอนบ่ายส4มสี่โมงแล้วอยู่ถึงข้าแล้วก็กลับตอนนั้นท่านมาดูงานโครงการของวัดยานว่ายาให้ทำอะไรบ้างวัดยาณเดิมทีมีที่แค่300ร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่แล้วในหืวงไม่จัดเป็นโครงการพระราชดำลิ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 มันเลยไม่สงบท่านเลยมีดำเดชโครงการให้ปลูกป่ารอบวัดอีกทีให้ซื้อที่2 0 0 0ไร่ครอบวัดตัววัดนี่เป็นเหมือนไข่แดงตัวที่ที่โครงการนี่เป็นไข่ขาวเนีย่ยวัดจึงไม่มีอะไรเข้ามาชิดวัดนยอยู่ห่างมีมีแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าไม้มีโครงการพระราดดำเดจก็มีพวกทาอ่างเก็บน้ำ เพ่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ให้วัดได้มีน้ำใช้โรงพยาบาลศูนย์ผู้สูงอายุแล้วก็มีเกษตรมาทำาวิจัยมาสอนชาวบ้านให้ปลูกพืชที่มีเป็นพืชเศรษฐกิจเมื่ก่อนนี้ชาวบ้านจะปลูกแต่มันสำปะหลังอย่างเดียวตอนนี้ก็สอนให้ปลูกดอกไม้ปลูกหน่อไม้ปลูกพืชไม่มีสาร สานพิษเป็นปลูกพืชปปแบบธรรมชาติอะไรแล้วก็ไปขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามโรงแรมอะไรต่างๆก็เป็นโครงการของในหลวงนะัน่บนเขานี้ท่านก็บอกให้ป่าไม้มาดูแลรักษาเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครดูแลเราบ้านก็บุกลุกขึ้นมามาถางที่มาปลูกต้นไม้มาทำก็พอให้ป่าไม้มาก็ให้ให้เขาออกไป ชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไปเอตอนนี้เขาออกต้องมียามมาให้ที่ของทํานไร่ที่ซื้อเพิ่มไม่เป็นที่ของวัดแล้วกเป็นที่ของหลวงของหลวงของโครงการพระราดจำเรอของวัดมีแค่สามร้อยสามร้อยไร่สามร้อยกว่าไร่เปนที่ที่ญาติโยมบอยจาคให้กับสมเด็จพระสังฆราชแต่ที่เนี่ยหลวงให้ วิเวก 2,000 ลายนี้เป็นที่ของรัฐบาลเป็นของอเป็นของโครงการพระราชดำริที่ตรงนี้แหะคะ่ะอันนี้เป็นของหลวงอยู่แล้วเนี่ยปูเกา่าตรงนี้ไม่ใช่ที่วัดใช่ไหมไม่ใช่แต่ทางทางหลวงเขาก็อนุ ญ, ญาตให้พระมาอาศัยใช้เป็นที่ปีกวิเวกแต่ไม่ใช่เป็นของวัดเป็นของหลวงถ้าเขาจะให้ออกเมื่อไหร่ก็ต้องออก อันนี้เรื่องการปฏิบัติเรื่องบูชานี้ไม่จำเป็นจะต้องไปบูชาที่ข้งที่ที่หน้าศพหรือที่ไหนการปฏิบัติบูชานี้ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนทำความดีทำตามที่ในหลวงสั่งสอนนี่ก็ถือว่าได้บูชาท่านละดีกว่าไปสวดสวดแล้วมันได้อะไรมันต้องปฏิบัติบูชา รู้รักสามัคคีเนท่านสอนให้เรารักกันให้สามัคคีกันให้เราเสียสละเพื่อประเทศชาติกันทำความดีกันอยู่ร่วมกันอยากอยากทะเลาะวิวาสกันอยากตีกันบ้านเมืองจะอยู่ได้เพราะเราสามัคคีกันถ้าเราทะเลาะวิวาสแตกสามคัคคีบ้านบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ภัยที่แท้จริงไม่ได้ภัยเกิดจากข้างนอกภัยเกิดจากข้างใน ถ้าข้างในสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นนี้ภัยข้างนอกจะเข้ามาทำลายได้ยากแต่ถ้าบ้านเมืองแตกสามัคคีนี้ไม่ต้องมีภัยข้างนอกมันแตกของมันไปเองแตกกันเป็นเสี่ยงเสี่ยงไปวิธีที่บูชาจริงๆบูชาคุณจริงๆต้องปฏิบัติบูบชาไม่ใช่มานั่งสวดกัน นี่อยากจะถามอะไรไหมอาว่านาัะไม่มีเลยถ้าไม่มีจะให้ทางบ้านถามน ะ, ะโทนี่โรมีโอเข้ามาประมานี้มาครับวันนี้มันอยากรับเวกันนะถามทุกวันเลยติด <c oughs> ต่อจากเฟซจาก y o u t u ู e อย่างเนี้ย <c oughs> ดูสดเลยเนี้ย How are you โทนี่ คำถามจากคุณชาลิดถ้าจะประกอบอาชีพเพาะปลาสวยงามเพื่อขายจะทำการจะทำผิดหลักสั่งมาอาชีพไหมครับคือในขั้นตอนการเพราะจะได้ปลาที่มีความสวยที่จะขายได้ราคาอยู่3เปอร์เซนต์อีก97เปอร์เซนต์ต้องปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติปลาเหล่านี้จะเป็นไปได้ว่าสูงเป็นไปสูงว่าจะเป็นเหยื่อปลาใหญ่ถ้าไม่เป็นสั ม, มาอาชีพจ ะ, จ, ะจะไม่ทาครับ ถ้าเราถ้าเขาเามามาทำเราเหมือนเราทําปลาเราอยากจะชอบให้เขาทำไหมแล้วเขามาเลี้ยงเราแต่งตัวฮะเราสวยๆงามๆแล้วเอาไปขายเราอยากจะให้เขาเอาเราไปขายไหมชีวิตเขาก็เหมือนกับชีวิตเรานั่นแหละถ้าเราไม่อยากให้ใครเขมาทําอะไรกับเราเราก็อย่าไปทําอะไรกับเขาแบบนั้นถ้าเราไม่อยากให้คนก็มาเลี้ยงเราเนี่ยมาจับเรามาเลี้ยงมาจับเรามาแต่งตัว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 คำถามจะคุณสุรพลนะครับข้อที่หนึ่งวิธีปล่อยวางจิตว่าจิตนี้ไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้ทำอย่างไรครับก็ใช้สติเห้พุทโธพุทโธไปเวลาใครด่าเราก็พุทโธพุทโธไปเพราะเราไม่มีตัวตนเขาด่าเขาด่าตัวรู้ไม่ได้ด่าตัวเราก็คิดอย่างนี้ไปพุทโธพุทโธไปใครเขาอะไรไปก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเรา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 แต่ถ้าคนหนึ่งเริ่มเอาค้อนมาทุบคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ต้องเลวเหรใช่ไหมหนูขออนุญาตหนึ่งเลยไหมคะเมื่อเมื่อวานเพิ่งมีเอ่อเรียมีข้อแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณสามีค่ะคือเราก็บอกกับคุณสามีว่าเนี่ยเรามีความในใจจะบอกอย่างหนึ่งนะเราเนี่ยตอนนี้เราเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบค์เนี่ยขับอยู่บนถนนเนี่ยเราทนไม่ได้เลยถ้าเขาขับวิ่งเลนขวาเนี่ยเราจะขับบี้เขาไปตลอด แล้วคุณสามีก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นถ้าเราเออ่ถ้าคุณสามีเนี่ยเป็นคนที่ขับดิสไบท์เนี่ยเราจะบี้ไหมเราก็บอกเราก็จะบี้เหมือนกันขับตามไล่ไปให้ล้มไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก<แ>็ทําทอย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากทําให้เขารู้ว่าเขาขับเลนขวามไม่ได้มันไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคุณสามีก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่จัดการเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะไปจัดการตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ<แ>อันนี้เราก็เป็นคนไม่ดีแล้วใช่ไหยคะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นในสายตาของในสายตาของคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ต้องว่าเราไม่ดีเขาไม่ได้มาทําอะไรเราสักหน่อยใช่เขาขี่เขาเลียขวาอะไรอย่างเงี้ยเราไปเบียดเบียนเขาเราเนี่ยแต่เขาก็ขับเป็นกลุ่มๆก็เรื่องของเขาเลยเรื่องของเขาเนีเราแบบเราคนไม่ได้ถ้าเราอยากจะรักษาความดีของเราเราก็ต้องเฉยเฉยเก็ต้องปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนั้น ก็ทำได้ก็ทำไปแต่ทำแบบไม่ไม่ไปให้เบียดเบียนคนอื่นให้ความรู้กับเขาหรือโทรไปแจ้งตารวจแถวตอนนี้มีบิ๊กไบค์กลังวิ่งผิดให้มาช่วยสกัดน่ะจับหน่อยไม่ทาใจคนดีก็ทาหน้าที่พลเมือของไปทำหน้าที่ของพลเมืองเห็นใครเขาํำอะไรเสียหายก็แจ้งความไปเรามีหน้าที่ท่นั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปยุติไปอะไรเขาได้ ในบางทีความปรารถนาดีของเรามันกลับกลายเป็นโทษกับเราก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักขอบเขตของการกระทำว่าควรหรือไม่ควรบางคนมีเ ข, เขามีคาพูดว่าปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายเช่นรักพ่อรักแม่อยากให้พ่อแม่แข็งแรงกินต้บังคับให้พ่อกินยาให้แม่กินยาบังคับให้ออกกำลังกงออกกาลังกายทาอะไรตัวพ่อแม่ก็ไม่อยากจะทาก็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 เราเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าพ่อว่าแม่สิได้ทั้บางคนก็ว่าพ่อนี่ดื้อก่อนแม่นี่ดื้อกัอนมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคนเรามันทําตามความอยากจ น, นโดยไม่ดูความดูผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนแต่ใ น, นใจก็บอกว่าปรารถนาดีหวังดีพระอาจารย์ครับเคสนี้จะพบมาหลายเคสแล้วครับในกรณีที่ว่า ลูกซื้อของดีๆให้พ่อแม่กินแต่พ่อแม่ไม่กินเอาไปใส่บาตรลูกก็เสียใจเขาจะบาปไหมครับคนที่คนที่ให้พ่อแม่ไปรู้ที่เขาให้เขาไม่บาปที่เขาทุกขเพราะเขาห่วงเองเขาไม่อยากจะให้ให้ให้พ่อให้แม่กินแต่พ่อแม่ไม่กินเขาก็เลยเสียใจเขาก็เลยโกรธขึ้นมาแต่เขาไม่บาปแต่ถ้าเขาไปว่าพ่อว่าแม่เนี่ยบาปนไปว่าทําไมก็เป็นของเขาแล้วของพ่อของแม่แล้ไม่ใช่หร ให้พ่อให้แม่เวลาเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเลย mm hmm. เขาทําบุญนี้เขาไ ด, ได้ได้ได้ประโยชน์กว่าการเขากินเองอ่ะกินเองมันก็แค่กินแล้วก็อิ่มแต่เขาถ้ากินก็เป็นอาหารกายไปอาหารกายกายไม่สําคัญเท่ากับใจความอิ่มกายกับอิ่มใจเขาไม่เท่ากันอิ่มใจนีอ่อิ่มมากกว่าอิ่มกายอ่เช่นคุณมีอาหารอยู่จานหนึง่งคนเห็นกอทานเดินโซเซมาสงสารเขายกอาหาร ยอมอดข้าวมื้อนี้ให้ขอทานได้กินเมื่อคนจะดูว่าใจคุณอิ่มไหมอ่าไม่ได้กินน่างกะไม่ได้กินน่างกายหิวก็ไม่เดือดร้อนใช่มอ่าแต่ถ้าคุณคุณกินเองไ ม, ไม่ไม่สนใจกับคนขอทานคุณกินอิ่มแล้วคุณมานั่งคิดได้เห็นเขาสงสารไหมทุกข์อีกท่าไม่ให้เขากระจายน ะ, ะใจสำคัญกว่าร่างกาย ถ้าเราให้ของพ่อแม่ไปแล้วพ่อแม่จะไปทำบุญต่อต้องสาธุต้องอนุโมทนาไม่ใช่ไปด่าวไปว่าพ่อแม่อาจารย์ไหมอาจารย์ถ้ า, าถ้าเราห้ามเออพ่อคุณแม่ไม่ให้ทานของมันของมันซึ่งไม่ดีแต่สกัดท่านนี้หรือว่าเป็นบาปไหมคะคือถ้าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเช่นหมอก็สั่งมาแล้วเราพูดแทนหมอก็ได้แต่เราไม่ควรไปสอนพ่อสอนแม่เอ พ่อแม่เขารู้นะ่ะทำไมเขาจะไม่รู้ว่ากินแล้วมันไม่ดีแต่คนเรามันติดน่ะติดแล้วมันไม่ได้กินแล้วมันทุกข์ก็ใจไหมแล้วเราจะไปทำให้เขาทุกข์ทำไมถ้าเขาอยากจะกินก็ปล่อยเขากินไปหรือถ้าเราไม่อยากให้เขากินเราก็เอาของไปซ่อนไนละ้อย่าให้เขาอยู่อยู่ใกล้มือเขาเราก็ทำได้ท่านั้นนะแต่คนเรามันมันมีกิเลสด้วยกันทุกคนเขาก็ติดของพวกนี้ใช่ไหม เขาไม่มีเขาก็ไม่อยากจะอยู่ล้วตายดีกว่าถ้าต้องอยู่แบบทรมานอยู่แบบไม่ได้กินของที่ก็อยากจะกินเขาอยู่ไปทําไมใช่ไหมเราก็ต้องเห็นใจเขาเอาใจเขาดีกว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีตายให้เขาตายอย่างเขามีความสุขดีกว่าดีก็ให้เขาตายแบบทุกข์อยู่แบบทุกข์ให้เขาอยู่ไปทําไมให้เขาอยู่แบบสุขดีกว่าถึงแม้จะอยู่ไม่ได้กี่วันก็ยังดีกว่า อยู่ได้ยาวแต่อยู่แบบทุกข์จะเอาแบบไหนอยู่สั้นแต่สุขออยู่ยาวแต่ทุกข์เขาก็ไม่อยากจะอยู่อยู่ดีใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะอยู่ถ้าเราเป็นเราถ้าต้องอยู่แล้วมันทุกข์อยู่ไปทําไมเี่ยคนทำไมนี้เขาถึงคิดฆ่าตัวตายเงเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่สามารถหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันฆ่ากันคะแต่ว่ามันมีอาการที่แบบว่าผื่นครัเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปทำไปเนี่ย วิถองแต่เราว่าเหมือนจะในในช่วงเวลาที่ทำอ่ะมันมันมันห้ามไม่ได้มันเมาไงมันเมาไม่มีสติไงนี่เราต้องฝึกสติฝึกสติอยู่เรื่อยดึงใจพุโทโธพุโทโธคิดก่อนพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดนี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรแต่บางทีมันก็เมาหมัด ก, กันยพอขึ้นเวทีแล้วพอได้พูดกันได้คุยอ่ะมันไปเลย ก็อย่างน้อยก็ให้มันพอมันผิดแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าครั้งต่อไปเราอย่าทำนะเลยให้เรามองพ่อแม่ว่าเป็นเหมือนคนที่เหมือนเหมือนกับพระคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะเกรงใจกันแต่ถ้าคนรู้จักกันนี่เราจะไม่เกรงใจกันต้องมองพ่อแม่ว่าเป็นเหมือนพระพระอรหรันต์ก่อนพ่อแม่นี่เป็นเหมือนพระพรมพระอรหันต์ของลู ก, ลก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 อ, าาอ่เาามตคำถามจากคุณเกษราถ้าลูกนอนห้องเดียวกันจะถือศีแปดได้ไหมคะได้ศีแปดถ้าเราไม่ไปนอนกับลูกไม่ไปเสพกรามกับลูกก็ไม่มีปัญหาเลยศีลปดนี่ก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแต่ที่เขามีสีลที่ละเอียดกว่า น, นี้เช่นของพระของชีนี่ถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนกันก็ไม่ให้อยู่ใกล้กัน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 ถ้าเราถือศีลแปดนี่ก็ถ้าเราไม่ไม่ไปเสพการกับใครเราก็ถือว่าเรารักษาได้ศีลแปไม่ได้ห้ามให้อยู่สองต่อสองได้เพียงแต่ว่าหรือแ ต, แต่เนื้อแตะเนื้อต้องตัวกันนี้ก็ไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันแม้จะเป็นเด็กก็ไม่ให้แตะถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามเช่นเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆนี่แล้วเราเป็นผู้ชายเราไปอุ้มลูกนี่ก็ไม่ให้อุ้ม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 ฉะนั้นคนคนคนคนเป็นนี่เราอุทิศบุญไม่ได้อุทิศให้กับคนตายได้เท่านั้นแล้วก็ต้องเอ่ยชื่อเขาจะได้รู้ว่าเป็นใครถ้าเราไม่อุทิศไม่บอกชื่อก็ไม่เหมือนกับเขียนเช็คก็ไม่มีไม่มีชื่อคนรับเนี่ก็ไม่มีใครรับได้เนั้นต้องเขียนชื่อลงไปว่าเอ่ยชื่อว่าเขาทิศให้คนนั่นคนนี้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะเอาไปได้คําถามจากคุณฮอลลี่นะครับ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 ผมขอเข้ามาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเลยขอให้เขาเข้ามาอย่าให้ผมต้องเสียค่าชดใช้ค่าเสียหายเลยถ้าเขาบอกโอเคไม่เป็นไรก็ก็จบแต่ถ้าเขาบอกวอไม่ได้คุณต้องเสียถ้าคุณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องฟ้องร้องกันไปอันนี้ก็คือเรื่องการขอเขมากันขอเขมาก็คือยอมรับผิดส่วนผู้ที่เขาเสียหายเขาจะให้อภัยหรือเขาจะ เอาโทษก็อยู่ที่ตัวเขาไปห้ามเขาไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่สูงส่งเขาอาจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเขาบอกว่าไม่เป็นไรริ้นกับฝันก็อยู่ด้วยกันก็กับกันได้ขบกันได้เขาก็อยากจะทําบุญเขาก็โอเคไม่เป็นไร <S <S เผื่อว่าหน้าเราไปเอามาชนเราแล้วเ ร, เราอาจจะให้อาภาัยเขาก็ได้คนหมงคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เขาก็ให้อาภัยได้ก็ไม่ถือโทษกฎเกณองไม่เอาเรื่องอาราวกัน แล้วคนบางคนเขาแบบฟันต่อฟันตาต่อตานี่ไปเขาใครมาทำเขาเสียหายเขาก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายให้คืนอันนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเราไปขอเขามาก็จะทําให้เขาอาอาจจะมีความโกรดน้อยลงไปก็ได้ว่าว่าอย่างน้อยเราสํานึกผิดแต่ความเสียหายก็ยังไม่ได้ชดชายเขาอยากจะให้เราชดใช้เราก็ต้องชดใช้เขาไป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 แต่ถ้านั่งเรายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อย่างที่เมื่อกี้อนนั้นก็บอกว่าพุโทโธไปยังร้องเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันก็มันก็สงบไม่ได้เพราะใจมันยังเป็นสองอยู่ต้องทําให้ใจมันเป็นหนึ่งนั่นก็ต้องขยันพุโทโธพุโทโธก่อนมานั่งถ้ามานั่งแล้วใครมาเริ่มพุโทโธนี่มันมันยากเห <c oughs> มือนกับรถเนี่ยการที่เราจะให้มันจอดได้เราต้องชะลอมาตั้งแต่ต้นก่อน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 ไม่ใช่พออยากจะนั่งก็มาพุทโธเลยนั่งไปมันก็ไม่หยุดเนะพราะมันยังคิดอยู่ยงั้เบื้องต้นต้องฝึกสติต้องสร้างพุทโธขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆก่อนแล้วพอเรานั่งมันก็จะสงบได้คาถามจากคุณสนอยากทราบวิธีการประคองจิตให้เป็นสมาธิได้นานๆครับก็นี่แหละก็ใช้พุทโธไปสติฝึกสติไปเรื่อยๆแล้ว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 กวนมันมันก็ไม่นิ่งเลยต้องหยุดกวนความคิดปรุงแต่งนี่นมันไปกวนใจให้วุ่นวายขึ้นมาเราต้องหยุดความคิดปรุงแต่งพอหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวนะ้ำมันก็ใจก็จะนิ่งสักใจจะสงบใจจะใสจะเบิกบานผ่องใสมีความสุขคําถามจากคุณสละอ้อข้อที่หนึ่งกลับนามัสการอาจารย์มีญาติเพิ่งโดนรถชนเสียชีวิตไปเมื่อวาน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 พอเกิดเหตุการณ์จริงเราเลยทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายไปใจของเราก็จะสงบได้ถ้าไม่สงบก็ใช้พุทโธช่วยไปก่อนก็ไดนะ้ต้องพุทโธพุทโธไปทุกครั้งเวลาที่เราคิดถึงท้องเราก็เราก็พุทโธไปอย่าไปคิดเพราะคิดแล้วมันจะไม่สบายใจเราก็หยุดความคิดด้วยการพุทโธพุทโธไป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 ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไมเวลาทําเวลาอื่นทำไมไม่เวลานั่งดูทีวีทำไมไม่เองนะหรือว่าเราชอบปล่อยให้ร่างกายให้มันไปไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมบังคับไม่ควบคุมมันบางคนเวลานั่งเฉยๆก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันก็ต้องฝึกเลฝึกนิจัยใหม่ฝึกให้มันมีสติคอยควบคุมร่างกายให้มัน เหมือนเรานั่งคุยกันนี่ทำไมมันไม่เห็นไม่เห็นเองไปไหนกันนะใช่ไหมเมเวลานั่งสมาธิพอเรานั่งนั่งดีแล้วตั้งท่าดีแล้วเราก็อย่าไปสนใจกับมันเพราะส่วนใหญ่มันเป็นความคิดของเราหลอกตัวเราเองว่าเรากำลังเอง yeah. ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันไม่เองหรอกแต่ถ้าเราไปคิดว่ามันเองแล้วเรายิ่งเองใหญ่ยิ่งเ อ, องใหญ่บางทีมันก็เป็นไปตามที่เราคิด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 สงบเบาสบายออกจากภาวนารู้สึกว่านานกว่าปกติเวลาเดินเร็วมากๆจนปัจจุบันมีความเข้าใจว่าความทุกข์ความสงบเย็นความเจ็บปวดมันไม่ได้หายไปเพียงแต่เราไม่ไปสนใจมันจิตใจเราไปสนใจแต่พุทโธเป็นความเข้าใจจากที่พยายามทํามาถูกต้องใหม่ครับก็เอาความจริงนั่นแหละเรานั่งไปแล้ว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 ถ้าอยากจะได้ผลทางปฏิบัติมากก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นไม่ใช่ให้น้อยลงถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างองื่นการปฏิบัติก็ไม่ก็ขาดไปผลก็จะขาดตอนไปนี่ก็เราต้องเลือกว่าเราจะเอาไหนดีเป็นจิตอาสามันก็ได้เป็นลักษณะเป็นการทำบุญทำทานไปถ้าภาวนาก็เป็นการทาใจให้สงบไปถ้าผล ผลของการทําบุญทําทานกับผลจากการภาวนาอันไหนดีกว่าก็ต้องบอกว่าภาวนาดีกว่าความสงบของที่เกิดจากการภาวนานี่ดีกว่าความสงบที่ได้จากการไปทําจิตอาสาคําถามจากคุณสามารถจําเป็นไหมครับว่าต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอเวลานั่งสมาธิเออไม่จําเป็นหรอกที่ไหนก็ได้หมดแล้วครับระอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหม บบคคว่ามาการเริ่มต้นภาวนาที่เราเริ่มจากการเดินโงกรมจะดีไหมก็แล้วแต่แต่และคนไม่แล้วแต่ก็ให้เริ่มต้น <c oughs> ที่สติมันไม่ใช่อยู่ที่จงกรมไม่จงกรมหรอกมันอยู่ที่สติมีไม่มีบางคนไม่มีเวลามาเดินยงกรมแต่เขามีเวลาเขาจเจริญสติในขณะที่เขาทํากิจรกรรมอะไรต่างๆได้มันก็เหมือนกับเดินยงกรมอยู่แล้วบางคนเดินยงกรมเพราะว่าพอนัง่งปุ๊บมันจะหลับก็เลยเดินยงกรมก่อน เราให้มันเหนื่อยก่อนแล้วเข้าไปนั่งบางทีนั่งแล้วมันฟุ้งก็เลยเดินก่อนเดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเพื่อให้มันหายฟุ้งก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วก็ไปนั่งมันก็จะสงบได้ฉั้นแต่ละคนมันไม่มีสูตรตายตัวก็้าใจไหมแต่ละคนก็สูตรตายตัวก็มีตัวเดียวก็คือสติทุกคนต้องมีสติต้องหาอุบายหา ว, วิธีสร้างสติให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะนั่งเมื่อไหร่จะเดินเมื่อไหร่นี่ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้ามีสติแล้วมันจะสงบได้ฉั้นพยายามเน้นที่สติเป็นหลักพยายามฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเอาเริ่มตาขึ้นมาก็พุโทโธไว้ก่อนเลยเก็บต้งไปก่อนเลยพุโทโธพุโทโธไปก่อนเลยแล้วจะคิดอะไรก็หยุดพุดโทโธคิดในเรื่องจําเป็นเอาวันนี้วันอะไรจะต้องไปทําอะไรที่ไหนพอคิดเสร็จก็กลับมาพุโทโธต่อไปขณะที่ไปเตรียมตัวอาบน้ำํำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้ายังไม่ถึงเวลาจะต้องคิดอย่าไปคิดดีกว่าให้อยู่กับพุโทโธดีกว่าแล้วเวลานั่งมันจะได้สงบง่ายถ้ามีพุโทโธคอยกํากับความคิดคอยควบคุมความคิดถ้าไม่มีพุโทโธก็เหมือนรถไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกเราก็หยุดมันไม่ได้ที่เราที่เราหยุดรถได้เพราะเรามีเบรกกันแต่ใจเราลอกกับหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรกใจกัน เราไม่มีพุทโธไม่มีสติกันคิดอะลาแล้วบางทีคิดไปได้ยาวเหยียดเลยคิดแล้วก็ปวดหัวริมตาไหลก็มีกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีก็เพราะความคิดหยุดความคิดไม่ได้เพราะไม่มีเบรกไม่ติดเบรกกันไม่ซื้อเบรกมาติดกันไม่สร้างสติกันฉะนั้นสตินี่สําคัญที่สุดสตินี่เป็นตัวที่จะควบคุมใจควบคุมอารมณ์ต่างๆได้หมดเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ถาวรเหมือนปัญญาเท่านั้นเอง แต่เบื้องตอนน้นก็ต้องอาศัยสติก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วต่อไปเราก็จะใช้ปัญญาควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดในทางที่ไม่ดีได้แต่อตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีกําลัง <c oughs> ที่จะไปควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดไปในทางไม่ดีเราต้องสร้าง <s> สติให้มันหยุดก่อนพอหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ดีคิดแล้วไม่คิดแล้วสบายใจเกิดให้คิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่อยาก ถึงจะดีอย่าไปคิดโลภคิดอยากคิดโกรธแล้วมันไม่ดีเมันอกีจะทำอะไรป่ะครับเข้ายครับอ่าทิตยเมื่อต้นปีนี่มันอยู่ตัวัดะครับแล้วก็พอดีมันมีความคิดหนึ่งที่มันฝุดในสมองว่าเห็นว่าเจ้ากับในเวรก็คือเมียที่บ้า น, นครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเอแล้วทีนี้พอออกไปอยู่ที่ออกไปอยู่ข้างนอกครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องร้องแรง ต, ตลอดจน สุดท้ายก็คือโอเคว่าจับได้ว่าแฟนผมมีคนอื่นทีนี้ผมก็เจ็บปวดมันเหมือนไฟเผาตลอดเลยครับอาจาจนสุดท้ายอยู่ดีมันมีพอคิดหนึ่งมันทุกข์จนมันไม่รู้จะไปหาดินมันมันยิ่งกว่าตายครับจนสุดท้ายมันมันรู้สึกว่าตัวผมผมทุกข์เพราะเมียหรือผมทุกข์เพราะว่าผมไปกําหนดว่าผมเป็นทางมีของเมี่ยพอมันมันเจอตรงจุดนี้ปึ้งเนี่ยมันเหมือนว่าจริงๆคือผมรู้สึกก็เหมือนว่าผมไปกําหนดว่า ผมเป็นผัวของเมียแล้วเมียจะต้องมาตอบแทนผมตอบสนองผมอย่างนี้ครับพอมันเข้าใจปึ้งไม่กําหนดตรงนี้ปึ้งผมไดยรู้สึกกายที่ว่าผมเข้าใจเขาเหมือนที่พรอาจารย์พูดว่าเพราขาชอบแบบนั้นเออทาไมมันถึงผมผมพูดมาขึ้นปีแต่พอความคิดนี้เกิดขึ้นเน่ะผมเห็นคลายได้ทันทีแล้วมันไม่ได้ตะกีกทีนี้นี่คือคําถามแรกคําถามที่สองเอาเอาอันแรกก่อนดีกว่ามันเป็นความคิดที่ตรงกับความจรงิงไงการที่เราไปกําหนดว่าเราเป็นเขานี่มันไม่มันไม่ถูก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 เรื่องเรื่องพวกนี้มันกินใจมันเป็นปีตีแล้วทําไมแค่ความรู้สึกแค่ปิดย่งมันมันเปลี่ยนแับหน้ามือไปหลังมือผมไม่สามารถหลอกตัวเองได้มันเกิดจากมันผ่านหัวใจผมจริงจริงมันก็แล้วเราสามารถใช้เรื่องนี้กับทุกเรื่องได้ไหมครับก็ได้กับทุกเรื่องว่าทุกอย่างเราไปควบคุมบางครั้งไม่ได้ทีนี้แล้วก็ก่อนอย่ากันก็เลยผมเพิ่งหย่าเมื่อต้นเดือนก่อนอย่ากันก็เลยคุยกันตรงตรงเลยว่าโอเคผมเห็นใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหสิให้กันอก็คืออยากกันดีๆแต่ด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเขาติดคนอื่นอยู่เขาเหมือนว่า S <S <an> <S ผมบอกไม่เขาจะอยู่บ้านนี้จะทําอะไรก็ได้แล้วแต่อิสระหรือว่าเขาได้ออกอยู่ข้างนอกอืที่คาถามที่สองที่ผมจะถามตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอเคผมรู้สึกว่าผมหมดแรหมดกำกับเขาละแต่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อนะไรฮะแต่มาช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะผ่อนคลายกับทางอืน่นล้วรืไรเขาอยากจะกลับมาอืทีนี้ผมไม่ได้เลิกเขาด้วยความโกรธแต่ผมรู้สึกผมเลิกกับเขาด้วยความที่วผมไม่อยากไปจมกับความรู้สึกแบบนั้นแล้วเนี้ยอทีนี้ ผมก็ไม่ได้อยากจะคืนดีกับไปอยสถานภาพนั้นโดยที่ตอนนี้ผมไม่ได้มีใครนะครับผมแค่รู้สึกเอือมแล้วเบื่อเรื่องอย่างเงี้ยอที่นี้พอเราไม่อยากจะกลับคืนดีเขาก็มีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะโกรธึ้นผมมาวันนี้ก็จะถามพระอาจารย์ว่าถ้าผมไม่กลับคืนดีแล้วทําให้เ้าโกรธเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสร้างการรมต่อกันหรือครับไม่หรอกเราอยู่เฉยๆเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าเขาไม่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเสียหายเขาเขาไม่มาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมกับเรา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 เขบอกอยากจะกลับมางนี้พอผมผมอธิบายเขาครับที่ผมเลิกไม่ใช่ว่าผมโกรธแต่ผมเลิกเพ้าว่าผมเข้าใจเขาแต่กลายเป็นว่าเขาบอกเขาไม่พอใจก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เนี่ยคือตัวนี้มันจะไม่ใช่ว่าความผิดหรือเป็นการสร้างกรรมต่อใช่ไหมครับก็เราไม่ได้สร้างเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองสร้างด้วยความอยากเราอยู่เฉยเฉยอันอย่างถ้าเกิดเข้ามาขอเราแต่งงานเขาเราไม่แต่งงานเขา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 แต่โกรธแบบนี้ไม่ได้เป็นการอาฆาตพยาบาทโกรธเพราะความเสียใจโกรธเพราะความไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้ก็ <S <S เหมือนเด็ก <S <S หรือเหมือนเราเวลาเราอยากได้อะไรเราไม่ได้อะไรเราก็เสียใจเราก็อาจจะโกรธเดี๋ยวเดียวเราวเดี๋ยวเราก็ลืมไปมันจะไม่อาฆาตพยาบาทกันไม่เหมือนกันแต่แต่แต่ถ้าเขามาตีเรามาเราจะอาฆาตพยาบาท มันเป็นความรู้สึกตอนแรกผมรู้สึกผมแค่หน้าเลยผมกัดคายตายเลยครับแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งมันที่ตอนที่มันรู้ตัวมันบอกมันก็ว่าถ้าอยู่ดีมีคนมาเอาพันหนึ่งเราคงโกรธหลอกแต่มันเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าเราเคยเอาเขามาสามพันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเขาขอพันหนึ่งแล้ให้จบมันเลยกายมีความยินดีที่เราอยากจะคืนเขาใช่ผมก็เลยปล่อยแบบชนิดที่ว่าอย่าเลยแล้วก็เขามีความสุขตอนที่ได้หย่าที่ได้ไปเลยอก็ดีแล้วไงก็ทําถูกแล้วก็คือต่างคนต่าแฮปปี้แล้วครับผมก็เบามาโดยตลอดแต่พอมาเจอ ก็ไม่กี่วันนี้เขาอยากกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มเอาลูกเริ่มอะไรมาดึงควานรู้สึกเราเนี้ยแต่บอกให้ตายผมก็ไม่เอากลัวมากเลยความรู้สึกอย่างนั้นไม่อยากตกละก็เราไม่เอาก็เรื่องของเรา<ต>เราดี๋ยวดันไปกลัวเรื่องว่ามันจะเป็นเวรกรรมกันหรือเปล่าลอ๋อไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันแล้เพราะเราไม่ไปทําเขาเขาทําตัวเขาเอง<ต>ทั้งที่ผมก็เชื่อแหละครับว่าสมัยก่อนไม่ว่าจะตอนไหนที่จําได้ไม่ได้ว่าเพราะผมเหมือนกับว่าเคยมีความคิดที่ว่าอยู่มีผุดขึ้นมาเองว่า เขาปเป็นจ้ากรรมในเรผมเหมือนว่าผมเคยทเขามาก่อนความเชื่อตรงนี้ที่ทำให้ผมปล่อยวางเขาได้ด้วยแล้วมันจะเป็นการสามต่อไหมครับคือตราบใดที่เราไม่ไปตอบโต้เราไม่เพิ่มค่าของเก่ามันยังไม่หมดเขาอาจจะจะมามาจองเวรจองกรรมกับเราต่อไปก็ได้อันนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ได้ทำเพิ่มขึ้นเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเราอยู่เฉยๆของเรา แต่ถ้าก็ยังจะโกรธเราเกลียดเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับกรรมต่อไปเขาจะโกรธจะเกลียดก็ปล่อยเขาโกรธไปเกียดไปแต่คิดว่ามันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกับการที่เราไปทำร้ายเขาทำร้ายเขานี้เขาจะโกรธเกียดอาฆาตพยาบาทมากกว่าการที่เขาอยากจะได้ลมาจากเราแล้วเขาไม่ได้ก็อาจจะเสียใจโกรธชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ลืมไป มันไม่เหมือนกันคือสรุปก็คือเราไม่ได้เพิ่มเวรเพิ่มกรรมแต่กรรมเก่าเวรเก่ายังไม่หมดก็ได้ก็ยังยังมาก็เราก็ต้องเฉยๆไปอดทนไปเหมือนกับพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยเทวทัตก็ฆ่าครั้งแรกไม่สำเร็จก็ลองครั้งที่สองครั้งที่สองไม่สำเร็จก็เอาครั้งที่สามพอครั้งที่สไม่สำเร็จก็ยอมละยกธงขาวละ เขาก็อาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะยกธงเขาก็ได้เดี๋ยวเราเฉยๆว่าเดี๋ยวเขาไม่ได้ตังใจอยากเขาเดี๋ยเดี๋ยวเขาก็ยกธงขาวไปเองหมดเวรหมดกรรมกันไปเองครแตอแสดงว่ามันยังไม่หมดเนาะก็ทนต่อไปถ้าเราทนแบบนั้นได้แล้วทนแค่นี้ทําไมจะทนไม่ได้ออกจากวันแล้วที่พระอาจารย์ถามผมเป็นยงไงผมบอกผีความสุขดีแล้วพระอาจารย์ก็เออเดี๋ยวก็ทุกข์ขี้เนี่ยเดี๋่าเดี๋ยวก็ทุกข์เขาลูก ผมยังไม่เชื่อเลยครับว่าผมออกไปผมจริงเลยครับนั่นแหละตามได้ยังมีเมียมีลูกเอี่ยงมันก็ต้องทุกข์อ่ะตามใจมีอะไรมันก็ต้องทุกข์สิ่งกับสิ่ที่เรามีอ่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มีอะไรอย่างเราไม่ทุกข์กับเมียว่าเราไม่มีเมียเราไม่ทุกข์กับลูกเพราะเราไม่มีลูกเนี่ยเอาแล้วเนียก็พอสมออควรสมควรคำถามนึ่งอาามาคำาว่าสิ่งห้านี่ ควาสมองไม่ขึ้นใช่ไหมครับต้องสิงนแปดเป็เงียสินห้าก็เพียงแต่กันให้เราไม่ไปอบายไม่ไปตกนรกถ้าอยากจะไปไปนิพพานก็ต้องศินแปดสินห้านี้ป้องกันแม่เราไปตกนรกแม่ให้ไปเกิดในอบายตอนต้นป้องกันก่อนอย่าไปอบายก่อนถือสินห้าไปก่อนแล้ววันพระก็มาถือสินแปดเพื่อจะได้ไปนิพพานต่อไปเอาแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลา